สองใหเห็นร่างของแมแมสาวเป็นเงาตะคุม่มเขานอนหลีตาดูหล่อนอยู่เช่นนั้นไหลอิดใจก็ยังคงเห็นนั่งงันส ง, งบอยู่คนเดียวตามเดิมจึงค่อยๆดึงตายขึ้นน่ะเป็นไรไปหรือเปล่าเมเขากระซิบถามเบาๆในแสงเรือนลางของไฟจากกองมาเรียร ย, รยิ้มโรยๆสันสีรษะแต่ไม่เอ่ยคําใด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 มันก็ลีกเลอไปไม่ทันซะแล้วสาหรับระยะประชิดตัวเพียงไม่กี่ก้าวนั้นมันยืนแขวนน้าแย่เขี้ยวคํารามอยู่บานว่าป่าแถบนั้นจะถล่มทลายลงมาด้วยอนุภาพแห่งแก้วเสียงราชสีห์สีรษะของมันประกอบด้วยขนคอพอเป็นแผงมาคือมาดูราวกับจะบดบังแสงอาพิธที่ส่องลงมาจากยอดเขาระดับที่มันยืนอยู่สูงกว่าหลอมขึ้นไปประมาณสิบหฟุต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 เพราะพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องใจหายก็คือลูกปืนเพราะปรากฏว่าในจำนวนกระสุนทั้งหมดที่นำติดมาด้วยนั้นมันร้อยร้อไปถึงเกือบครึ่งค่อทำเอาหีบกระสุนที่เป็นสัมภาระหนักกว่ายางอื่นใดเบาขึ้นวงเงอวงเราใช้กระสุนทั้งหมดในการทำศึ่อกสางเขียวมากไปเหลือเกินภายหลังจากการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนชยยันครางออกมา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 คณะชาวพนะนครทั้งสามเพิ่งจะเห็นพิชานในการใช้ไรเฟิลของหลอนชัดๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกตังมองดูด้วยสายตาเลื่อมใสนิยมเงียบๆสำหรับดารินนั้นรู้สึกตัวได้ดีว่าหล่อนเจอเอาคู่แข่งสำคัญเข้าให้แล้วระพินเคยเล่ามาให้่ังก่อนแต่หล่อนก็ไม่อยากจะเชื่อนักมาเห็นเข้าชัดๆในครั้งนี้ก็งันอึ้งไปวิเศษมากมย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 แล้วก็ขึ้นอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าลึกอย่างเนี้รพินคงหัวเราบเบาๆอยู่เช่นนั้นมองดูอาการอันงันงกของบุญคำอย่างสมเพทพยักหนะ้าเอาละเอาละเรจะทํำยังไงดีอะเราก็ไม่ไเจตานานี่อย่าไปสนใจคิดอะไรอยู่เลยต้นไม้ก็อยู่ส่วนต้นไม้เราก็อยู่ส่วนเราเมื่อแต่คิดอยู่อย่างเนี้ยก็ไม่ต้องอย่างเท้าเดินไปไหนกลัวจะเหยียบหัวผีหรือเทวดาองค์ใดเขา้า นายนายรู้รือเปล่าว่ า, มาเมื่อกี้บุญคำไปไหนมาเออก็กำลังจะถามอยู่เหมือนกันเพราะเรียกหาก็ไม่เห็นตัวเพิ่งจะโผล่มานี่แหละบุญคำไปนั่งถ่ายทุกอยู่หลังพุ่มไม้ฟากโน้นนีนายกรชี้มือบอกปากคอสัน่นเสียงที่พูดผ่านลำคอออกมาอย่างยากเย็นก็กำลังนั่งสับปะโงกเพลินๆน่ะได้ยินเสียงผู้หญิงมาร้องซิกซิกอยู่หลังพุ่มไม้ที่นั่งอยู่